ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชจนอยู่บรรดาสาวกที่ได้สะดับทรรมจากพระองค์แล้วไปปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำราเป็นในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเสียน ธรรมะคืองานภาวนา น, นี่เป็นงานขุดคน้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือจะเรียกว่าคุ้ยเกี่ยวขุดคน้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในจใิตใจก็ถูกเมื่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้ว ทรรมที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้คำที่ว่ารู้อัดรู้ธทรรมนั้นมันมีไปดูมีด้วยทั้งสองอย่างคือรู้อัดรู้ธทรรมที่ไม่มีปัญหาใดๆมาจีดมาขว้างภาณในจิตใจ อันนั้นเรียกว่าหมดปัญหารู้อัดรู้ธรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงจะสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจ้าไปอยู่บำเพ็ญไปบำเพลญอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่มาทูลทูลถามพระองค์นี่อันน่ะนะ อันหนึ่งการปฏิบัติของตนเวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อกองใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตน บางทีไปถูกปิดตันเสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระพักของพระองค์ย่อมจะทะลุปุกปร่งไปได้อย่างง่ายดาย ไม่เสียเว ล, เลาอยู่นานเพราะการแก้ไขเฉพาะตัวเองมีเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะคร้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็ ทำไมแม่แปะหมานั่ยมาว่ากับคนนี่เสียมันเป็นยังไงให้มันเปนอยู่ทำไมหมูมันฝังหูอยู่หลายวนแล้วนะแค่ไม่คิดไม่ได้หรือหมาหนะ่อคนนะ่ะการปฏิบัติสีตะภาวนาเป็นสิ่งที่ที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะผึงรู้ผึงเห็นใน จุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับจำด่าโดยไม่ต้องคาดด้านภาวนา จ, จึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้องอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่อง ทางด้านจิตะพอนาแล้วท่านช่ำชองมากเชี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใดสมาธิขั้นแปลๆต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องให้เสียระยะเวลานี่เป็นสาคัญ มันมีเรื่องอะไรวันนี้การปฏิบัติมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนินอย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเอง แต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดําเนินมาแล้วเช่นบินทบาทเป็นวัดเนะี่ยหรือในทุดงคิดสามอย่างนี้ชันมือเดียวเนะี่ยชันแต่ น, อน้อยมีอดบ้างอนะันนี้มีเรื่องอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดําเนินมาแล้วทั้งนั้น และที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมา ก, ก็เห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละรายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นขันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนานหรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยขพรเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับธาตุขันธาตุขันถ้ามีกําลังมากมันก็เป็นเครื่อง เสริมฝ่ายต่ำฝึกจิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตัณหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรบงบการฝึกทางด้านสมาธิเพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าธาตุขันก็มีกำลังมาก การฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธิยากมากเกี่ยวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของธาตุขันมีกำลังเป็นสิ่งที่เสริมจิตฝ่ายฝ่ายกิเลสได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหาไหยไม่ได้นี่น่หละที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการถอนอาหาร แล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นกล้ า, าก็้สู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลฟิต ท, ที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ทั้งที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างผาดผลที่สุดเลย ก น, นหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นน่ะแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการสุกทรมานวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นผ่อนอาหารหรืออดอาหารลงไปใจของเราสงบง่ายง่ายนี่ก็เห็นได้ชัด ท, ทั้งที่เมื่อวานหรือวนันศืนยนั้นมันไม่สงบเลยเห็นอย่างชัดชัเลยว่ากําลังของเราไม่มีทางสู้ได้เลยมันเหมือนกับน้ําที่ไหลเขี้ยวที่สุดไงกระแสของกิเลสต่อเพลิดนันแต่กลับมาวันนี้มันอ่อนตัวลง น, นี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเป็นสิ่ง จำเป็นที่เราจะต้องได้สาะแสวงได้พินิษพิจารณาสังเกตจอดรู้วิธีการดําเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทําเนเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งๆ้งที่จิตมันเร่ร่อนร่อนไปทวีปไหนก็ไม่รู้นันก็สั่งแต่ว่าทําไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราทําเราทําเพื่อประโยชน์เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผล ผิดดื้อขนาดไหนก็ให้รู้ในเวลาภาวนาการภาวนาเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องทั้งฝ่ายยิเล่ทั้งฝ่ายธรรมะแต่ไมไ่เรื่องอะไรเลยอย่างนี้มันมันเข้ากันได้ยังไงกับหลักของผู้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นเราต้องได้สังเกตสอดรู้เสมอนี่แหละการสังเกตสอดรู้นี่เป็นเหตุที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองมันเพื่อนไหมไปทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูง เือไปทางไหนมากกว่ากันเราจรึงต้องได้หาอุบายวิธีส่งเสริมทางด้านธรรมะเพื่อมีกําลังดัดแปลงลิือธรมานจิต ด, ดวงพยศนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเราได้จะเป็นด้วยวิธีการอดนอนก็ตามผ่อนอาหารก็ตามหรืออดอาหารก็ตามเดินมากก็ตามนั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็น วิธีฝึกธรมานวิเลยให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสอนดูตัวเองทั้งนั้นมีผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สักวธรรมก็ไม่ได้เรื่องเดาราวอะการนั่ง เือแล้วการกานไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัตชีในทุดงข้อข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนคืนแล้วแต่จะตั้งสัจจะวิานไว้กี่คืนที่ไม่นอนแล้วกี่วันมี่ท่านบอกว่าเนสัตชิทุดงไม่นอนถ้ามสูงกระ น, นินิสัยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อย ตามโอกาสที่ควรจะทำได้สำหรับทูดงข้อนี้ไงถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจริตนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบแต่่วนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่าอย่างอื่นใดก็คือการผอนอาหารฉันมื้อเดียวก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวก็ว่าก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลวุ่นวายไม่เพิ่มเติม อาหารที่เป็นกําลังแต่การฉันเมื่อเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาจริงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันเมื่อเดียวก็ผ่อนลง <c oughs> จนถึงขั้นที่ว่าหยุอันนี้รู้ได้ชัดนะครับสําหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมากจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่น เราก็ต้องในตะเกียกตะกาอยู่นั่นแหล ะ, ะและการเดินเดินจงกรมเดินกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปชา้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกําลังทำงานอยู่ด้วยหิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปห า, หากฎหากติกามาตั้งบังคับตนไว้ก่อนด้วยอำนาจของกิเลสมัน เคยกดถีบบังคับเรามาการเดินจงกรมมัจงกรมมันก็จะหาเรื่องมาเท่านั้นชั่วโมงแถนนี้ชั่วโมงแล้วเดินเอาชั่วโมงเฉยเดินเอานาทีเฉยเอาลมลมแรงแรงไม่ได้เห็นเหตุเห็ผลกันในด้านกิจตภาว น, นเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อให้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรในขณะที่กําลังเดินอยู่นั้น นี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินทำความเพียรอย่างแท่จริงแต่ <c oughs> เดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะจะไปะคานึงถึงเวล่เวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอเวล่ำเวลามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากซึ่งเคยมีมาแล้วแล้วก็มกเวลาจะเดินจงกรมมันก็นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อบังคับเพื่อจะให้ ออกนอกผู้นอกทางไปเสียมากกว่าที่จะเข้าช่องเข้าทางแห่งอัตธรรมทั้งหลายน่ยนั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ต้องใช้ปัญญามากนะถ้าปัญญายังไม่ถึงกันที่จะนั่งท น, ในใเฉยเฉยนี้ไม่เกิดประโยชน์อทุกทนทนเฉยเดินก็เหมือนกันได้เหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความ จิตมันจนยึดมันจะเกาะ อ, อะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิตดูความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างจึงสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนานะในการนั่งก็เหมือนกันนั่งภาวนามันมีหลายจังหวะการนั่งเนี่ย จังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนเมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกข์ขัดประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภานในร่างกายของเราแผลเผาไปหมดทั่วร่างกาย เราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกข์กษัตริย์ประเภทนี้ที่จะทนเอเคเถยๆให้ให้สู้มันได้ด้วยความทนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำไม่ไม่ใช่การดำเนินอายศัสตร์ด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสมคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดมันเกิดที่ตรงไหนนั่นเรียกว่าปัญญา ทุกทุกนี้มันมีอำนาจวา ส, สนามาจากอะไรคือกายท่านว่าในสติปัฏฐานสี่ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละไม่เป็นเรื่องอะไรไปกายก็คือรูปร่างกายของเราเส่วนต่างๆที่เป็นส่วนอยากเรียกว่ารูปนี่ท่านเรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉย ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆนะเฉพาะการนั่งภาวนา ม, นมันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขและการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอวสัวะส่วนใดเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดมากกว่าเพื่อน ทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยกิตภาวนานั้นแหละต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียวนี่แหเรียกว่าการพิจรารณาเทุกขสัจในเวลาที่ มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้แยกแยะดูทุกอันทพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งนานเท่านั้นส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสำคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิม ไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกเพิ่งเกิดนั้นนะี่มันจริงไม่ใช่อันเดียวกันจุดขึ้นหนังออกร้อนเหมือนหนังจะพองไปงหมดความออกร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังนะี่มันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิด ตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีข้งมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดและทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็มีขมันอย่างนั้นมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกมากกว่าเพื่อนในขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมัน เก็บก ร, กระดูกเหมือนกระดูกจะหกักกระดูกท่อนไหนตรงไหนนะ่ั่ะมันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันมันไม่ใช่อันเดียวกันกําหนดที่ตรงไหนจิตต้องจอ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวทนากับกับถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้ น, นกับเนื้อกับหนัง ก, กับอวัยวะต่างๆที่เรากําลังพิจารณาทเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นน่ะ จนกระทั่งได้สัตว์ไปส่ ว, สวนแล้วพิจารณาดูจริงๆก็กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกอยยังไม่เกิดทุกข์ดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบยังเข้าหลายครั้งวลาผลความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอาการนี้มาจากว่าทุกข์อะไรอะนี่มาจากกิ่ ย้อนเข้ามาหาจิ ต, ตรนกระทั่ทงจิตก็สักแต่ว่ารู้อาการที่ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี้นะักเช่นว่าทุกขเวทนานั่นะมันทุกตรงนั้นทุกตรงนี้แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกขเช่นวกระดูกเป็นทุกขเมื่อกําหนดลงไปจริงๆให้ทราบทัดกันแล้วทุกข์นั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูก ตอนอ่ากระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกข์นะทุกข์นี่มันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนเข้าถึงจิตแล้วไปดับที่จิตแห่งเดียวเท่านั้นนี่นี่จึงชื่ว่าเราพิจารณามันเห็นไม่มีตําราก็ตามเถะิะความจริงมันมียังไงผู้รู้รับรู้กันอยู่ตลอดมันทําไมมันจะไม่ทราบมันทราบกันอย่างนี้ภาคปฏิบัติ ทุกขเวทนามากน้อยมันปรากฏเด่นชัดแล้วโหดก็ามาโหดก็ามาแล้วมาดับที่ใจขึ้นเมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สัตว์แต่ว่ารู้ไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าสิ่ง น, นั้นเป็นทุกขสิ่ง น, นี้เป็นทุกขว่าหนังว่าเนื้ อ, เ น, อเนื้ออะไรก็ตามเป็นทุกข์นะแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่อาการเหน่านั้นต่างอันต่างกินมีท่านเรี้ยว่าอันต่างอันต่างจิงแล้วก็อยู่จิตก็ไม่ไปสําคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเอง เวทนามันเกิดขึ้นเหมือนกับดับแล้วก็มาดับที่ที่ที่ใจเรานี้อเอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันนันสุดท้าก็มีต่างอันต่างจริงไม่มีเห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นมีอะไรเป็นค่าศึกต่อกันนี่เรียกว่าอา ญ, ญาสัตว์จริงสำหรับอา ญ, ญาสัตว์จังทุกขั้งอา ญ, ญาจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้สําหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึง ความจริงแห่งทุกข์แล้วจะไม่มาตําหนิทุกนี้เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทําร้ายป้าศีเราไม่มีมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าทุกขังอริยสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลยสมุทยัยแอริยสัจจังก็เหมือนกันมันสัจจังสัจจังเป็นความจริงความจริงของแต่และอย่า ง, างนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกข์ทั้งสมุทยัยทั้งนิโรธทั้งมรร ต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยเนี่ยนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทรไทยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุทรฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับเพ้าะมันไปเนี่ยมันมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสําคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุทรไทยมันก็ดับลงไปได้นี่เที่บว่าสมุทรไทยดับ มันดับอย่างนี้นอกจากกิงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อเมื่อสมุทัยมันดับนี่โรดคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขนาดเดียวกันซึ่งเป็นความจริงหนึ่งเหมือนกันนี่การนี่หมายิึงการพิจารณานั่งพิจารณานานๆหรือว่าเป็นเก็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเว่ามันเก็บไข้ได้ป่วยมากๆ ความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติ <c oughs> ไม่ถอยมันจะหมุนตัวเข้าไปหายนั้นอะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงนี้เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในจิตนั้นะทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้โดยป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ําเข้าไปตรงนี้จน ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกเวทนาในเวลานั่งมากนี่คือเวลาเก็บค้าวเรือเปลือกก็พิจารณาอย่างเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันนี่คือการพิจารณาถึงเรื่องอะการทุกข์มากในเวลานั่งใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปทนเอาที่เฉยให้ทุกข์มันดับไปเองอหรือสู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็ออกมาเฉยอื มนมันมันไม่ใช่เรื่องคิดแต่ภาวนาหาความรู้ความฉลาดส่วตนมันไปสู้เฉยนั่งทนอิเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยเนี่หาทั้งทั้งที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาทางที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัวทันทีที่เรียก ว, ว่ามรสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คือสติปัญญานั่นเองสมบูรณ์ เต็มที่แล้วก็สังหารสมุไทยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุไทยคืออะไรด้วยแลวดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วย น, นั่นใช่ไมวะมสมบูรณ์เมื่อทุกสมุไทยมันดับลงไปแล้วนิโรธกำ ม, มกักเพราะอำนาจของนิโรธกำ ม, มกักเป็นผู้ทำงาน ลกิจมันก็หมดจิตก็หมดปัญหาเมื่อลงถึงขั้นที่ถอดถอนกันถึงยากถึงคนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่พระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นจิตเดมาทั้งสิ้นในจุดนี้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสีน่นี้ด้วยคิดตภาวนาของท่าน เพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยเค ย, เคยล้าสมัยไม่มีคำว่าการสถานที่เรื่เวลาเข้าไปเหยียบย่ําทํำลายได้เลยเป็นความจริงนั้นวนๆอยู่ตลอดเวลาใครขุดค้นขึ้นมาความจริงนี้จะเด่นขึ้นสําหรับผู้ที่ขุดค้นขึ้นมาเพื่อดูความจริงเพื่อเห็นความจริงเพื่อถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนเพื่อดับสิ่งที่ควรดับจะต้องดับได้ดับได้ดไดถอดถอนได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย แล้วก็เป็นถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจเนี่ยคว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้พึงเห็นด้วยการพิจารณาเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยละเป็นเรื่องของเราเอ ง, เ, องเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ ในธรรมทั้งหลายจงกระทั่งถึงธรรมมวิมุตติเกี่ยวกความหยุดพ้นก็รู้ขึ้นมาที่จงนี้เมื่อรู้ขึ้ที่นี้เต็มภูมิแล้วก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีแต่จิต ท, ที่บริสุทธ์ล้วนๆท่านท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้น หนลานี้พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับถมกิริยาแห่งการประกอบความพักเพียงนึกกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทํางานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุ่งแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทํางานออาไปหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทํำยังไง มีงานนั้นมีงานนี้งานอะไรมีแต่งานกิเลสไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะมีงานอะไรอเพราะฉะนั้นจริงไม่ควรให้มีงานงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นนั้นแก่หัวใจเราหนี้สิใ ห, หให้ดูตรงนี้ทําท่านให้ดูตรงนี้ ท่านไม่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขาพลอยให้เขาทำไปเรื่องของภาล้วมีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูาในสันเลกธรรมสิบประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปท่านกิเลสมันไปแบ่งสารปันส่วนเอาไหมไม่มีท่านสันเลกธรรมแปลว่า ทำเครื่องขัดกราวกิเลสต้งสตองซักฟอกจิตัยเรียกว่าสันเลยครับสันเล่การฟังดอูอปิชตามมีความมากน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยอีวานบินสบัดเอนาสนะทีลานะเภสัตยาแก้โรคแก้ภัยเหล่านี้ถห้เรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชี้ให้เป็นประอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษา อภิชาตาเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นม่ไม่อิชตาคือความมักมากอภิชาตาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสัมเทธิกรรมข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมักน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจแครที่จะเป็นผู้มักน้อยนั่น นี่แหละท่านเรียกว่าอภิชาตาคือสัมนทธกรรมข้อที่หนึ่งข้อ ท, ที่สองถ้าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปอย่างนี้ก็สันตุถีคือยินดีตามที่ที่เกิดขึ้นนีเท่านั้นไม่ให้โลเลโลกเล่พุ่งเฟอเ้อหเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีมเป็นพึงใช้พึงสอยพึงครบรึงช้นในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นขัน้นหนึ่ง ขั้นเยี่ยมก็คืออาปิตตามากน้อยมีมากเท่าไหร่ไม่ไม่สนใจจะเอาเพียงความน้อยน้อยนี้เท่านั้นยินน้อยนอนน้อยผุนง่ายหว่างนี้ใช้น้อยในฟุง้งเฟอ้อเหือมในสิ่งทั้งหลายที่มันจะสั่งสงมกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ไม่สองข่อนแล้ววิเวกตา คือชอบวิเวกสงัดไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรกันชอบในที่สงับวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงัดวิริยาลัมพาระกอบแต่ความภาคเพียนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอาศังจักรนิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมีตนเป็นผู้ผู้เดียวกับความเพียร น, นี้เท่านั้นทั้งที่นี่ละชันเลยกะรำ ทำเป็นเครื่องอเลื่อนลึงซึ่งกันและกันเวลาพูดธรรมะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันท่านมักจะสนทนาธรรมในสิบประการนี้ซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสไม่ใช่เป็นทางส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นภายในจิตใจเพราะปกติมันกระชอบจะมากมูลอยู่แล้วหาช่องทางที่จะมากมูลอยู่แล้วขึ้นจุติกิเลส ไม่ยอมอ่อนขอดและมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่ทําเป็นเครื่องปราบกิเลสฟังดิแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็นเป็นผู้มีศีลบริรรสุทธิ์รักศีลเท่ากับชี้ทุกตัวเองเพราะศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเรา ไม่ด่างพร้อยทำลายไม่ขาดไม่ทะลุให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่แล้วสมาธิพูดให้มีความพอใจให้มีความนักไขให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความวุ่นวายเพราะกิเลสมันพายฟุง้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนิ้ ทำใจให้เราให้สงบให้เย็นทําจรงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นแต่เป็นเป็นขั้นขั้นของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญาคาถาปัญญาคาถาละเป็นสันเลยก็ทําแต่และข้อละข้อพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่าที่เลยไม่ใช่ปัญญาที่ ที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทําให้คิบหายไปจากใจเราแต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันหหกิเลสต่างนั่นนัญญ่นเลยนี่เมื่อปัญญามีกําลังมากแล้วก็มีมดูดคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมีญาณอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตอนด้วยนั่นเป็น มิมุติยาทัศนะนี่แหละทำสิทธประการท่านกล่าวท่านท่า น, ท, านท่านเป็เกล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นถ้านไม่ได้กล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียกานโลกการสงสารเพราะเป็นเรื่องของที่เล็กงานของพะระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทำและเพื่อให้มีแก่ จ, จิตใจจากกันและกันที่เรียกว่าสนธนาธรรม การเลณธรรมะธรมธรมะสกักฉาการสนทนาธรรมะเป็นการตืนเวลาท่านบเป็นมงคลนันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคลสามสิบแปดการกล่าวทำเหล่านี้แหละเป็นมงคลชนเรียกว่าสนทนาธรรมไม่แค่สนทนาโลกไอสนทนาโลกก็อย่างโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นทำพระเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้ใช่ไหมการเลนะธรมธรมะสกักฉาธรรมะสักฉานั่นฟนะังสิ การสนทนาทำตามการตามเลยทำที่สนทนานั่นคืออะไรท่านก็ บ, บอกไว้แล้วว่าสันเละกระทำทั้งสิบประเภทนี่แหละเป็นธรรมเพื่อสนทนาเป็นธรรมเพื่อรุ่นเดิงมันถึงต่อแต่กันกันได้ประโยชน์เป็นสิริมังคลแกกันนั่นท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานของพระเราที่จะให้เห็นผลไปจักตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้ยัง เป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสําคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดเราอยากเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดรอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดรอยออกไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั้นแหละดีถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกําลังมากขึ้นไปให้มันสังหารเรานงานนั้นคืองานที่เร็วที่สุดนีเลยมันทาเร็วนี่หวังง กิเลสพาคุณดีเมื่อไหรกิเลสพาเร็วแล้วความเร็วของกิเลสมันเอาอะไรมาก็เอากองฟุกส์คือสุดท้ายก็เป็นมหันตทุกข์นี่เหลือดีให้เราคำหนึงถึงเรื่องการเรื่องงานของเราที่คิดที่ทําที่พูดออกมามันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรหรือเป็นแต่ความเสื่อมเสียแก่กันและกันเพราะการสนทนา พ, พูดไม่เป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นเรื่องของกิเลส ครอบหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนธนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไรนะนี่แหละท่านว่างานกองพระให้เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธการท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะให้ตำรับตําลาก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งเห็นตั้งแต่พระโมกขลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมกขลาไปคอยดูแลนางวิสานางวิสาขาเป็นผู้สร้างปูผาเหลา ขึ้นมาฉลองฉลองหมดเงินถึงอะไรยี่บเจ็ดโกดน่นให้พระโมคกขนาเป็นคู่ไปคอยดูแลพระโมกข์พระพระโมกขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี้พระโมกขนาท่านเป็นพระอะไรล่ะออืในตำหำนักตำราก็แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมคกขนานั้นอ่ะพระเจ้ามดไปอยู่ในสำ น, นักของผร้ใเจ้าแล้วเพียงเจ็ดวันเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระารานขึ้นมา พระโมกขนาท่านเป็นพระรหัตพระรหัตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่นหนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านให้ช่างเขาทําท่านเป็นผู้ไปคอยแนะนำไปคอยดูแลเท่านั้นตามที่พระเจ้าทรงสั่ง พ, พระผู้ช่วยเจ้าก็ใครเลิศยิ่งกว่าพระ อ, องค์ละทํามจะสั่งพระโมกขนาไปให้คิบหายล่มจมมีเหรอนั่น พระโมกขนาก็เป็นพระอรหันด้วยแล้วอะไรมาขี้หาโล่งจบอย่างนั้นนะ ข, ข้าข้งพุทธการท่านทําอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะใอ้พวกเรานี่ ฟ, า ด, ฟาดกันลงไปฟาดลงไปอย่างแล้วก็ปรากฏชื่อดูนามว่าโ ด, ด, ด่งบ่าดังว่าลิธาสัดานุภาพมากเฮ้เก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าเลยไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสให้มันพังไปในหัวใจนี่สิอ้าวถ้ากิเลสทังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เธอ หาความทุกไปได้แล้วนะอืมเอาให้มันเห็นสิทําไมจะไม่เห็นจิเลีมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกให้เรามากมาขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทําทัานสร้างจิตเรียท่านสร้างทุกให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิตเลียนทั้งนั้นแล้วว่ากิเรียนที่มันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกให้เราเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันไปหาการสถานที่เวลาเลาให้มันลําบากลําบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กําหนด ว่าจะตายเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ความทุกข์ความลําบากจะมีมายัางไงเวลาตายแล้วตายแล้ ว, ลวจะไปเกิดที่ไหนไปยัไงไม่ทั้งนั้นแ่ะขอให้หัวใจมันเต็มด้วยธรรมเถอะมันพออยู่นั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรละ่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วถ้าเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุขที่ไหนทุกข์ที่ไห น, ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจว น, น, นี้แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติไม่เป็นอย่างนี้ไหนมีแต่งานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้ การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้โยมันสร้างอะไรเออเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้ใช้เถยดอวดโลกอวดสงสาร ท, ทั้งที่ไม่ค่อยได้ทําประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเนะ่ะหากสร้างอืมนะเขาว่าตัวเก่งตัวมีนิพพ า, า, านูภาพมีคนเคารพนับถือมากเด่น มันเด่นในหัวใจสิใครเคารพไม่เคารพก็ช่างถือเอากิเลสแล้มันพังในหัวใจอยูอย่ไหนก็อยู่เถอนะนะไม่ต้องการอใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่ไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปขอแบ่งสรรปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทาและความสนับสนุนรรโลกธรรมทั้งแปดนั้นเป็นเรื่องสมบัติของโลกสมบัติของธรรมจริงๆแล้ว มีแต่ธรรมะสมบัติคือความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุ่งนั้ปฏิบัติอย่างนั้นทีนักปฏิบัติยาไปดิ้นรนกังวนกังวานนะเรื่องโลกเรื่องกิเลสมันเลวที่สุดค่อยๆพูดอยู่แล้วเอาฟัดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทําเก่งเข้าไปแนละ้วมันก็รู้มันก็ทันกันถ้าทําไม่เก่งนั้นมีแต่กิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายหรือเปล่าก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนแล้วผมเพียงไร ถ้าเมื่อมีทำทามันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดจะลงไปเนี่มันรู้ทําไมมันจะไม่รู้พระริเจ้าวิเศษเพ่ออะไรก็วิเศษเพราะทำทำไมทำประสิทธิ์ประสาทให้โลกเพื่อความรู้แจ้งแาง้งทะลุเพื่อความเสด็จยฉลาดทําไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าถ้าเรายังสนใจในอาธรรมอยู่ทำไมมันจะโง่วะพระริเจ้าไม่ไม่ใช่ทรงศาสนาองโง่สาวกทั้งหลายไม่ไม่ใช่สาวกองโง่พอที่จะสอนคนให้ให้โง่และนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติ菩萨มันยิงง่งโง่ด้วด้วยนั่นพราอะไร ไม่ใช่เอากิเลส ม, มาแบกอยู่ตลอดเวลาเหรือมันถึงได้โง่มันถึงได้โถกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนล่ะกิเลสไ ม, ม่เป็นไงอย่างที่พูดมาตะ ก, กี้นี่ยุ่ง น, น, นั้นยุ่งนี้ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อาปิจิตาหามากน้อยมากๆเสียเฮ้หาความหาความเพียงพอมาได้หาประมาณมาได้หาเหตุหาผลมาได้ทําอะไรหาเหตุห้ผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไง คนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั้นสิเขาจึงจะมาแก้กิเลสได้ะการแก้กิเลสไม่มีเหตุมีผลแก้มไม่ได้นะฮะพิจารณาใช่เวลานี้มันเป็นไปอย่างดือดอด้อด้านๆ น, นะเนี่ยสําคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วรู้มันทั้งทังที่มันดื้อดืดืดทั้งทั้งรู้อยู่นี่นะ่ะมันจะ แ, แก้กันได้ยังแล้ว เพราะโรคมันดื้อยาอันเนี้ยสําคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยจิตเรศดือ้อทำไม่ยอมฟังเสียงทำเลยถ้าเป็นเรื่องของจิตเรศถึงไหนถึงกันนั่นเศกสารต้านยอขึ้นมามันจะเลวซ้ำขนาดไหนก็ต้านยอมันขึ้นมาไปเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมจิตเลศมันแหลมไปก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทําไมเราจึงยอมรับมันมาดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่แต่ล้ว ของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันช่วมลูกก็อยู่ไม่อยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ทำก็มีโลกก็มีนั่นฟังซีที่เดสก็มีทำก็มีทําไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมากเทียมมาเทียงกันมาได้ดังที่เคยพูดแล้วไอ้ท่านบัตรปองพระนบัตรจริงมันต่างอันต่า ง, างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทําไมมันจะไม่รู้ออถ้าไม่ใช่นาดด้านเหล่านั้นพากัานปฏิบัติเพื่ นี่มันทุเรศ่ะ น, นะอะไรๆเอี่ยแต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดมันไม่เป็นแบบธรรมพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูออืหูฟังก็ชื่นชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทําอะไรไม่มันไม่ขวางใจเร า, ไรไาแล้ ว, ลวมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นสังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเก ต, ตตัวเอง แล้กิเลสมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนหมายอะไรกิเลนมันบอกก่อนเพื่อนนะทํายังไม่ได้บอกแล้วกิเลสมันบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนเมื่อเวลามันยังเมียบนาดหรือเวลามันเมียบนาดมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อทําได้เมียบนาดมันถึงจะได้รู้กันทันกันทันกันแล้วที่นี้โมลากิเลสถูกสังหารทั้งหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรมสุขบรสุขบรมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามก็รู้กันเอง อะไรมันเป็นปรมาังทุกขังนี่ทุกวันนี้น่ะยืนในหัวใจก็กิเลสนั่นเป็นผู้สร้างปรมาังทุกขั ง, งขึ้นมาอแล้วทําเป็นผู้สร้างปรมาังณุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยอย่างไรเรายังรู้ความรู้นี้มันปิดบังเมื่อไหร่แล้วทําไมเมื่วลาทาสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมาังณุขขงังทําไมจะไม่รู้ละ่ะใครฉลาดยิ่งกว่าผู้พุทธเจ้าในโลกแนี้เพราู้พุทธเจ้าเป็นองค์ศัจธรรมแท้และสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่า น, นั้นใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยศา ส, ส, ส, สนาเสื่อมศา ส, สนาเสื่อมดูก็รูด้ดูในหัวใจของเราเนี่ยนะอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกต ด, ดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกรตั้งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศ า, า, าสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือที Let ่เรนไม่เจริญนั J ่นเองนี L L e N e N พระศา ส, สนาเจริญคือกิเล่เลมันเสื่อมในขณะนั้นอนฟัตกันไปให้มันรู้สิถ้าถ้าเรามีเล่ ม, เลมีอุบายมีความเฉดียวฉลาดแล้วคมเยี่ยมกําลังมังชามากของกิเลกกิเล่เลมันก็เสื่อมเจตธรรมก็เจริญความสงบใจของเราก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญพก็ถือใจวันนี้เวลานี้เป็นยังไงดูตัวเองนี่มันเป็นยังไงแล้ววันหน้ามันจะเป็นยังไงอีกวันหน้าปีหน้า มันเอาอะไรมาเป็นก็มีแต่มือกับแย้งมือแย่งแต่กิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในจิตใจเนี้ยดูตรงนี้นะดูให้มันเห็นกิเลสเสื่อมหรือธรรมเสื่อมเวลานี้เป็นยังไงเราเดินยมกลมนั่นน่งเดินสร้างกิเลสหรือเดินสร้างธรรมวะดูเจ้าของนั่นสินักปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นย้อนเข้ามาย้อนกับว่าให้มันทันกันกับกิเลสนี่นะแล้วทานทั้งหลายให้จํามานะคาพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องตั้งวานในหัวใจทั้งหลายไว้ดีผมตายแล พราะผมไม่ได้เอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ ก, ก็ผมก็ได้พูดในหมู่เพือ่อนต่งแล้วเวลามันฟาดกันเป็นยังไงก็ทั้งนี้นพังกันยังไงก็จะพูดได้ฟังหมดแล้วเนี่ผมเอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายว่าผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแท้ๆเนี่ยยังได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่และดวงก็ดวงนี้ยเราเทียบหัวใจเราเวลามัเสาะแสีงหาคู่หาจางังโอยมันหัวใจจะขาดจะพังโน่นนะ่ะ ไปครัท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่รับท่านไม่รับเน่ะมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วงดหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดพังทลายนันมันไม่อยากได้ยินนั่นนะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิที่ในอุตส่าห์พยายามแนะนําจําสอนจะเอาอะไรมาโอมาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้ววดหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมีในว่างไปตามหลักหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดผู้เจ้าเป็นไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล่วนผู้ปฏิบัติธรรมถ้านรูกเห็นตามนั้นแล้วจะเอาข้าวบู้มาจากไหนก็มีแต่ความจริง ล, ล้วนน่ะสิมันจะไม่ในเรื่องเนี่ยล่าอะไรดูตรงจะนอกศัสนาเสื่อมศัสนาะจะเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของจเจริญจากธรรมทั้งหลายข้อกีเลียดมันย่ายีตีเหลือวไม่ดูดูตรงนี้สิถ้าวันนี้มันเสื่อมนี่เอาขยับใหม่สิ หอบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอากันอยู่นี่เวลาต่อสู้กันมันต้องมีเลยมีเหลี่ยมกันนะ่ะระหว่างกิเลสกับธรรมต้องมีกันไม่มีแล้วให้เขาเหยียบเขาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยรแก้หมัดกันใช่นะักปฏิบัติก็เหมือนกันนักกรรมนักมวยแพ้เขาตรงไหนตรงไห น, ต, ไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่โตแล้วลเสร็จถูกนอกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่โตแล้วเสร็จถูกนอกตายทั้งเป็นนี่หลืออะไรอ้ถูกกิเลสถูกนอก มันถึงได้มีสงฆาผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอรรถธรรมและสง่าผ่าเผยไม่มีคําว่าสตุกสถานิจึงว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่าเมืองพอคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกจิตทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันเนี้ระวังเลยมันเห็นตรงนี้ที่เนี่นี่ถ้าแก้ไม้หมวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้กิเลสถูกนอกแล้ว ไปไหนก็ไปเธอไม่ต้องว่าวตั้งกลับตั้งกันอนันตระหาระหว่างที่ไหนมีอากาลิโกะการในเรื่งเวลาเข้าไปทําลายได้ยังไงไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นยังท่านถึงบอกนี่พานเที่ยงนี่ผานเที่ยงท่าก็ว่าไปนะผู้ผู้ที่รู้และนะ้วไม่จําเป็นจะต้องบอกท่านก็รู้เองเอาละพอนานมาก็เหนื่อย